ไปกับข้าสิพี่มูซอใจฉันไปไหนไม่ทราบอะ่ะก็เองกําลังจะไปไหนล่ะเฮะ้ยกำลังจะไปเก็บใบชานั้นเองก็ไปกับข้านั่งบนม้าของข้ารับรองว่าเองนี่ยไปเก็บเสร็จก่อนใครแน่นอนไม่ทําไมอะ่ะฉันจะไปกับพี่สูเวแล้วก็ไปกับบูเก้ด้วยทําไมจะต้องไปกับพวกมันด้วยฮะก็เพราะฉันกับพี่สูเวเป็นเพื่อนซีของศรีลาไงละ่ะไม่เหมือนเองหรอกไอ้มูซอทําไมข้าทําไมฮะก็เองอะ่ะวันวันไม่ทําอะไร นอกจากทำตัวอันธพาลระรานคนอื่นไปทั่วไม่จริงไม่จริงยังไงก็เห็นๆอยู่นี่นาแต่ตอนนี้ข้าไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเองก็ไม่เห็นหรือไงข้าไม่ได้ก่อกวนใครมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรข้าถึงทำได้รู้ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะข้าต้องการเอาชนะใจของศีลายยังไงล่ะข้าจะต้องแต่งงานกับศีาให้ได้ข้าอยากจะแต่งงานด้วยล่ะไม่รู้ล่ะยังไงเองก็ต้องเป็นเมียข้า พี่มูซอนับถือศาสนาอะไรกันแน่ทำไมเหรอข้มามันเ็วนักยังไงพี่เจ้าจะใจ ต, ตัวเองไม่ได้นะพี่ต้องถามความสว่ารใจของคนอื่นเข้าด้วยไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะใช่แต่กําลังมันหมดสมัยไปแล้วที่พูดนักเลงไปฉุดลูกสาวชาวบ้านมาทำเมียเราจะให้ข้าทํำยังไงฮะนี่ข้าจะบอกเองให้นะไอ้มูซอเองจะต้องเอาชนะใจศีลาให้ได้ซะก่อนศีลาเขารักเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ เองถึงจะเป็นผู้กำชัยชนะทั้งปวงฮแต่ว่าถ้าเองคิดจะใช้กำลังละก็เองถูกตราหน้าแน่ตราหน้าว่าอะไรไอ้หน้าตัวเมียยังไงล่ะบุเกนี่เองด่าข้าเหรอข้าไม่ได้ดา่าแต่แนะนำให้ด้วยความหวังดีแล้วเนี่ยพ่อเองนะ่ะอยู่ไหนไม่ใช่เป็นฝีมือของพ่อเองเหรอเองพูดเรื่องอะไรฮะอ้าวนี่เองไม่รู้จริงๆเหรอหรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่ฮะรู้อะไร ข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นข้ากับพ่อข้าน่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายเดือนแล้วอะแล้วเองอยู่ไหนอะข้าก็อยู่บนดอยนี่นะสิแล้วพ่อเองล่ะไม่รู้อยู่ในเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อข้ามีที่อยู่ตั้งหลายแห่งใครจะไปรู้ล่ะว่าไปอยู่ไหนข้าไม่อยากยุ่งเรื่องของพ่อนักหรอกแล้วตอนเนี้ยข้าก็กาลังอ่านคำภีร์แล้วด้วยเฮ้ยเฮเฮเรื่องจริงอะเหรออืมจริงเองไม่เชื่อที่ข้าพูดใช่ไหมล่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเองเนี่ยจะทำได้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ทุกคนทำชั่วก็มีสิทธิกลับใจเป็นคนดีข้าพูดถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแล้วจ้ะพระเจ้าทรงยินดีมากๆเลยล่ะถ้าพี่ทำได้จริงๆยินดีด้วยนะขอบใจแล้วทีนี้เองเห็นความตั้งใจของข้าแล้วหรือยังเห็นแล้วอย่างน้อยๆพี่ก็ตัดสินใจมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนนึงแล้วล่ะ ข้าจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจของเองให้ได้สีลาฉันจะรอดูว่าพี่จะทําได้ดีแค่ไหนอแน่นอนข้าต้องทําให้ดีที่สุดเชียวละศีลาพี่สุเวรปลอบมือทำไมอ่ะฮะอข้าขอชื่นชมความตั้งใจของไอ้มูซอมันไงน่าชื่นชมจริงๆเออขอบใจเว้ยตกลงเองไม่ไปกับข้าใช่ไหมสีลาไม่ล่ะ ฉันจะไปพร้อมกับพี่สุเวร์แล้วก็บูเกตามใจเองก็แล้วกันงั้นข้าไปก่อนนะจ้พี่เย่ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เพียงที่เรา loud. Thank yeah. you. ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment สีลาเธอเชื่อไอ้มูซอรหรือไงเชื่อเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่มันบอกเธอไงว่าเขาศรัทธาพระเจ้าทำตัวเป็นคนดีแล้วแล้วก็จะเอาชนะใจเธอให้ได้นะ่ะเธอเชื่อมันเหรอเขายืนยันเองนะเชื่ออะไรกับลมปากไอ้มูซอลเธอคิดว่าเขาจะไม่ทำอย่างที่พูดหรือไงอ๋อแน่นอนมันไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่เขาเอาพระเจ้ามาอ้างนะเขาบอกว่าเขาอ่านคัมภีร์ แล้วก็ศรัทธาในพระเจา้านบูเกะฉันเชื่อว่าคนที่กล้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเขามีความตั้งใจจริงที่จะทำความดีแล้วแล้วทำไมล่ะเราจะให้กำลังใจเขาไม่ได้หรือไงได้นะได้อยู่ร็อกแต่ว่าฉันไม่อยากเห็นเธอหลงกลไอ้มูซอมนะันน่ะหลงกลเลยเหรอบูเกใช่เธอนี่คิดมากเกินไปหรือเปล่าฮะเธอต้องคิดให้มากมากนะถ้าเธอคิดจะคบไอ้มูซอเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็พ่อของมันเป็นโจรเชานะ พ่อเป็นโจรลูกจะไม่เป็นโจรก็ให้มันรู้ไปอย่าลืมสิว่าสันดานมันเหมือนกันลูกไม้น่ะมักจะหล่นไม่ไกลต้นนะศีลาเธอเชื่อยฉันสิไม่หรอกนะบูเกลองเขาเออกพระเจ้ามาพูดแบบนี้ฉันก็ดีใจแล้วล่ะนี่ศีลาฉันเป็นห่วงเธอนะขอบใจมากแต่ว่าอย่าเลยบูเกย์ทำไมอะหรือว่าเดี๋ยวนียเธอไม่ต้องการความหวังดีจากฉันอีกต่อไปแล้ว งั้นเหรอศีลาไม่ใช่อย่างงั้นลงน้ำบูเก้ก็แล้วมันยังไงอ่ะฉันก็ยังเห็นความจริงใจของเพื่อนเพื่อเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าฉันกําลังเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งทําความดีเพื่อพระเจ้าก็เท่านั้นเองเอาเถอะถ้าเธอเชื่อมั่นในคําพูดของไอ้มูซ อ, ซอก็ตามใจเธอก็แล้วกันแต่ฉันจะพยายามเตือนสติเธออยู่นี่แหละขอบใจมากดีซะอีกนะบูเก้ถ้าฉันให้พี่มูซอเนี่ยเข้ามาในชีวิตของฉันดียังไงอ่ะฮะ ขอกระซิบข้างหูหน่อยนะอ่ะกระซิบได้เลยดีสิอีกถ้าฉันได้โอกาสพี่มูซอเธอก็จะได้อยู่ใกล้ชิดพี่ซูเวยยังไงล่ะสีลานี่เธอเธอนี่เธอพูดอะไรออกมาอนะ่ะรู้ตัวหรือเปล่าฮะรู้สิฉันรู้ดีด้วยนะบูเก่บ้ากันไปใหญ่แล้วล่ะนี่อย่าพยายามปิดบังใจตัวเองไปหน่อยเลยเธอเป็นเพื่อนซีของฉันนะ ทำไมฉันจะมองแววตาเธอไม่ออกละ่ะก็คือว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับพี่ซูเวร์หรือไงก็คือว่าฉันวาไงพูดมาสิบูเก้อยากสิใครไม่อยากแต่งงานกับพี่ซูเวร์ละ่ะเขาหน้ารักขนาดนั้นจิตใจก็งดงามเหลือเกินใครได้แต่งงานกับเขาก็คงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตแน่แนเลยละ่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็เปิดอกคุยกับเขาเลยสิเปิดอกคุยยังไงละ่ยยงงละฮะก็บอกไว้พี่ซูเวระ มาเสียผีเธอยงังไงเล่า